ต่อไปสวดหน้า164มุงคลจั ก, กรวาลใหญ่ สิริธิติมาติเตโชยชยสิทธิมาเหติมาหากุณาปริมิตาปุญญาธิการาศสสะพันตารายณีวรนสัมมาทัสสะภคะวัตตอรหัตตสัมาสัมปุทัสสวติงสมหาปุริสราขนาน นุภาเวนะสิตยานุปยานชนะนุภาเวนะอทุตรัสตมังคลานุภาเวนะชาพานารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทาสัสสปารมิตานุภาเวนะทัสอุปปารมิตานุภาเวนะ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 เวนะจตุราสีติสหัสสธรรมะคันทานุภาเวนะนวโลกุตตรธรรมมนุภาเวนะอัตถังคิกามะคานุภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะจลปิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณนุภาเว นาทัสสะภะรยานนุภาเวนาสะพานยุตยาานุภาเวนเมตตาการุณามุติตาอุเปกขานุภาเวนาสะพะปริตานุภาเวนรัตนตยัสรณานุภาเวนตุยหังสะพะโรคะโสกุปตทวทุกขะโตั มานัสุภายาสาวินาสันตุสาอันตรายาปิวินาสันตุสาภังกัปปะตุยังสมิดชันตุทีขายุตาตุยังโหตุสตวะสจีเวนสัมมังคิโกโหตุสาพทานอาคาสปพปตะนาภูมิคามคา มหาสมุทธาอารักขาเทวตตาสทาตุมเหอนุราคาอินทุภวตุ สัพพมังขะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสธาโสธีมะวันตุเตภวะตุสัพพมังขะลังลาคันตุสัพะเทมัตตาสัพพธรรมานุภาเวนสธาโสธีมะวันตุเตภวัตุสัพพมัง ลางราคันตุสัพเทวตาสสะสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเต